เคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่านะเช้าวันหนึ่งภรรยาก็ลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ยืนอยู่หน้าหน้าต่างเพื่อออกกำลังกายเนะช้าวันนั้นอากาศก็ดีตัว อ, ออกกำลังกายดูสักพักหนึ่งนะมองไปหน้าต่าง ม อ, มองไปทางหน้าต่างนี่ก็เห็นบ้านเพื่อนบ้านเขาตากผ้าไว้ตากเป็นเรียกว่าเป็นเป็นแนวเลยภรรยาก็พูดขึ้นนะให้สามีได้ยินนะสามีก็กลังนอนอยู่บนเตียงนะก็บอกว่าคุณดูสนะิบ้านนี้นี่ ซักผ้าทำไมมันไม่สะอาดนะทั้งๆ ท, งที่บ้านก็มีฐานะคนการก็เยอะรถก็หลายคันแต่ทำไมนะเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนมันมัมนมันหมุนมองๆไม่สะอาดเลยรวยซะเปล่านะ ก็พูดบ่นให้สามีได้ยินว่าลุ่งขึ้นตอนเช้าเธอก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายอีกและพอเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก็พูดเหมือนเดิมว่าเนี่ยคุณดูสินะบ้านนี้นี่เขาซักเสื้อผ้านี่ไม่สะอาดเลยผ้าก็คงจะราคาแพงนะผ้าปูโตผ้าปูเตียง พาเช็ดตัวแต่ทำไมมันมันหมองนะไม่สะอาดอรวยซะเปล่านะแค่นี้ก็ไม่ยอมนะทำให้มันสะอาดสงสัยนะคนงานจะเป็นพม่าหรือเปล่าสามีได้ยินก็ก็เพียงแต่ได้ยินก็เพียงแต่รับฟังเอาไว้นะก็ไม่ได้พูดอะไรพอถึงวันที่สามเนี่ยคราวนี้ อรรยาลุกขึ้นมานี่แทนที่จะไปออกกำลังกายก็มองไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าเสื้อผ้าที่เขาตากไว้นี่มันยังหม่นมันยังหมองอยู่หรือเปล่าน ะ, ะเตรียมจะบ่นอยู่แล้วบอกเลว่าคราวนี้นเสื้อผ้าที่เห็นที่อีกบ้านนี้เขาตากเอาไว้มันขาว ผิดจากที่เห็นเมื่อสองวันก่อนภรรยาก็เลยถามสามีว่าเนี่ยแปลกนะวันนี้เสื้อผ้าเขาขาวสะอาดเลยนะคุณไปบอกเจ้าของบ้านหรือเปล่านะว่าไอ้ที่ผ่านมานี่ซักไม่สะอาดนะสามนะีซึ่งก็ยังนอนอยู่บนเตียงก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่ได้บอกบ้านนั้นหรอกนะ ผมก็เพียงแต่เช็ด ก, กระจกบ้านร้อยสะอาดเท่านั้นแหละอืบ้านโนนนี่เขาซักเสื้อผ้าสะอาดมาทุกวันแหละนะแต่ที่ภรรยาเห็นไม่สะอาดเนี่ยเป็นพ่ออะไรนะเป็นเพราะกระจกบ้านตัวเองไม่สะอาดอุตส่าห์ไปว่าเขานะว่าซักเสื้อไม่สะอาดนะแต่ที่จริงกระจกบ้านตัวเองต่างหากที่มันเปื้อนฝุ่นนะมันมีคราบติดนะอ่าเรื่องนี้มันก็สอนใจได้ดีนะ สิ่งที่เรารายเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงสิ่งที่ภรรยายเห็นเนี่ยก็คือเสื้อผ้าไม่สะอาดแต่ความจริงเนี่ยเสื้อผ้ามันสกรปรกหรือเปล่าเนะีเสื้อผ้าก็ไม่ได้สกรปรกเสื้อผ้าก็ไม่ได้มนต์มองก็สะอาดของมันมีทุกวันอยู่แล้วนะแต่ว่าที่เธอเห็นนะว่าเสื้อผ้าไม่สะอาดนี่ก็เพราะกระจกบ้านของเธอนะ จะเรียกว่ากระจกเนี่ยมันหลอกตาก็ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระจกนะที่มันที่มันทำให้การรับรู้ของเราผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันมีสิ่งที่เรียกว่าสามารถจะหลอกเราได้ยิ่งกว่ากระจกซะอีกนะและสิ่งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ข้างในใจเราก็คือความคิดนะหรือคติเนี่ย เวลาเรามองผ่านกระจกนะที่มันสกรปรกเราก็เห็นอะไรอะไรที่อยู่รอบตัวเราหรือที่อยู่ข้างหน้าเรามันสกรปรกไม่สะอาดนะในทางเดียวกันนะเวลาเรามองผ่านความคิดหรือว่าเรารับรู้ผ่านความคิดเนี่ยนะไม่ใช่แค่เห็นด้วยตาแต่จรวมถึงได้ยินทางหูนะมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนก็ได้เพราะความคิดของเรานะโดยเฉพาะสิ่งที่เราเป็นอคติเนี่ยนะ คนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีอคติแล้วเนี่ยนะมองอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นผิดพลาดคลาดเครื่องจากความเป็นจริงได้เรานีเรื่องเล่าว่าผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นไปนอนที่รีสอร์ทแล้วก็ถอดสร้อยทองนะมีพักเครื่องวนหัวเตียงไปกินข้าวไปทำธุระกลับมาตอนสายหาไม่เจอแล้วสร้อย สอบถามก็ได้ค่ะว่ามีพนักงานทำความสะอาดนะมาทำความสะอาดห้องนะก่อนที่แกจะกลับมาก็เลยเชื่อเลยนะว่าเป็นพนักงานคนนี้แหละนะที่เอาไปแกก็คอยจับตาดูนะดูอากับกริยาของพนักงานทำความสะอาดคนนี้ก็พบว่าไม่ว่าจะไม่ว่าเธอจะทำอะไรจะเดิน หรือจะพูดจะคุยกับใครเนี่ยมันมีพิรุษไปหมดเลยนะบางทีก็เห็นเขาหยนะิบโทรศัพท์นะก็สงสัยว่าคงจะนะไปเรียกคนเพื่อที่จะมารับเอาซ้อยเนี่ยไปขายต่อเวลาพนักงานคนนั้นนะมาคุยกับเขาเนี่ยก็เห็นท่าทางนะหลบสายตา มันสอบพิรุษเต็มที่เลยนะว่าขโมยไปแน่นอนเลยแต่ว่าในบ่ายวันนั้นเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสร้อยคอไม่ได้หายไปไหนนะมันตกอยู่ข้างเตียงก็เป็นนั้นว่าไม่มีใครขโมยไปตอนนี้พอเข้าไปเห็นไปเจอพนักงานทำความสะอาดคนนั้นอีกนะก็พบว่าอากับกิริยาของ ผู้หญิงคนนี้ก็ก็ดูปกตินะเวลาคุยกับเขาก็ไม่ได้มีพิรุษอะไรก็ไม่ได้หลบสายตาอะไรเลยสิ่งที่เขาเห็นเมื่อตอนสายกับตอนบ่ายนี่มันคนละเรื่องเลยนะ <c oughs> แต่ที่จริงพนัก ง, งานทำความสะอาดคนนั้นก็ทําตัวปกติแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนเช้าเดินยังไงตอนบ่ายก็เดินอย่างนั้นนะตอนเช้าพูดคุยกับเขาอย่างไรตอนบ่ายก็พูดคุยกับเขาอย่างเดียวกัน แต่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยนะมันแตกต่างนะระหว่างตอนเช้าคือก่อนที่จะพบส้อยนะกับตอนบาอ่ายหลังจากที่พบส้อยแล้วความแตกต่างมันอยู่ที่ไห น, นอยู่ที่ใจของเขาไม่ได้อยู่ที่อากับกิริยาของผู้หญิงคนนั้นหรอกคือใจของเขาเนี่ยทีแรกตอนเช้าก็เขาก็มีเขาก็สรุปแล้วเขาก็เชื่อว่าผู้หญิงเอาไปแต่พอตอนบ่ายหลังจากที่พบส้อยแล้วก็ก็รู้แด้ว่า ไม่มีใครขโมยผู้หญิงคนนี้นะบริสุทธิ์ <c oughs> พอเห็นแบบนี้เข้านะไอสิ่งที่เขาเห็นนะอากับกิริยาผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีพิรุษนะอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยเพียงแค่รับรู้ด้วยตาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ความจริงที่เราเห็น นะเพราะว่าคนเราเนี่ยมองผ่านความคิดเลือกคติไม่มากก็ น, น้อยและคติเนี่ยทวันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันก็ดูเหมือนว่าเป็นจริงเป็นจังมากประภาชนสราน น, นนลนะพวกเราหลายคนคงรู้จักนะเขาเคยเล่าว่าได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะพนักงานไม่ใช่พนักงานคนที่มาสมัครงานนะ วันอาทิตย์นั้นเนี่ยสัมภาษณ์สองคนวันจันทร์กับวันศุกร์สองคนที่มาสัมภาษณ์นี่ก็อายุก็ไล่ๆล่กัน ก, ก็ประมาณสักยี่สิบปลายปลายนะแล้วก็ผ่านงานมาหลายบริษัทแล้วคนแราที่ก็สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ถามว่าที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรผู้หญิงคนนั้นก็ตอบทันทีเลยนะว่า พนักงานที่สำนักงานเก่านี่ไม่ไหวเลยนะเล่นการเมืองกันเยอะมากเนี่ยเหยียบพืคนอื่นประจบเจ้านายไม่มีความสมคัคคีขาดความคิดสร้างสรรค์แล้วแถมยังแทงกันข้างหลังอีกนะโอ้ฟังแล้วก็ดูมันเลวร้ายมากเลยนะในกี่วันต่อมาก็สัมภาษณ์ผู้อีกคนหนึ่ง พระภาาแกก็ถามประโยคเดียวกันนะว่าที่ทํา ง, งานเก่าเป็นอย่างไรเธอก็ตอบว่าที่ทํา ง, งานเก่า น, นี่พนักงานนี่ดีมากนะมีความเอื้อเฟื้อมีความสามัคคีมีความเอเื้อามมนะา อ, าอาทรกันเจ้านายนี่ก็เป็นกันเอกับลูกน้องนะต่างคนต่างก็ช่วยเหลือกันนะ คือาาพอพาดฟังแกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าที่ทํางานเก่าดีแบบนี้ทําไมมาหาที่ทํางานใหม่แต่เธอจากยังไม่ทันถามนะผู้หญิงนั้นก็ตอบเลยว่าตอนนี้ที่ทํางานเก่าเนี่ยเปลี่ยนลักษณะของธุรกิจละซึ่งเธอไม่ถนัดนะเธอก็เลยคิดว่าออกมาดีกว่าลนะ่ะก็เลยมาสมัครงานกับ workpoint สิ่งที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงสองคนเนี่ยทํางานบริษัทเดียวกันนะ แต่ไม่รู้จักกันทํางานบริษัทเดียวกันแต่สิ่งที่สองคนเล่านี่มันคนละเรื่องเลยนะคนหนึ่งก็บอกนี่ที่ทํางานเก่านี่เหยียบผัวกันนะแทงกันข้างหลังประจบเจ้านายนะนะอีกคนหนึ่งก็บอกที่ทํางานเก่านี่ดีมากช่วยเหลือกันนะเอื้อเฟือเ้อเอือ ก, กูนกันนะเจ้านายก็ใกล้ชิดกับลูกน้อง นะต่างคนต่างต่างทางเจ้าหน่ายลูกน้องก็ช่วยเหลือกันดีมีความสามัคคีกันความจริงเป็นอย่างไรไม่รู้นะแต่ที่เรารู้แน่คือว่ า, อาสองคนนี้เนี่ยเขามีมุมมองที่ต่างกันนะคนแรกนี้ก็คงจะมีทัศนคติหรือมีมุมมองในเชิงลบอาจจะมีคตนะิกับเพื่อร่วมงาน อาจจะมีอคติกับเจ้านายด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็เลยแยกไปหมดเลยนะเล่นการเมืองเหยียบผัวคนอื่นนะประจบเจ้านายอีกคนหนึ่งก็าอาจจะไม่ได้มีอคติแต่ว่าอาจจะมองโลกในเชิงโลกสวยก็ได้นะทำงานที่เดียวกันนะแต่ว่าเห็นต่างกันนะเห็นนี่ไม่ใช่ความเห็นนะแต่ว่า จากสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันคือภาพที่เขาเห็นนะสิ่งที่เห็นมันแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะความคิดเพราะอคติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้มันก็สอนใจเรานะว่าเมื่อเราเห็นอะไรเรารับรู้อะไรได้ยินอะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเป็นความจริงความจริงอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราเห็นก็ได้นะ ทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ได้ใส่แว่นนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงนะเพราะว่าเรามองสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยผ่านความคิดและอคติรวมทั้งอารมณ์ด้วยอารมณ์ก็สำคัญนะเวลาเรามีอารมณ์เนี่ยนะเวลาเราดีใจเนี่ยนะเวลาเราสึกโล่งโปร่งนะทำงานเสร็จนะโลกดูมันสดใสามากเลยนะดูมันสว่างสวัย แต่ถ้าเกิดว่าเรามีรู้สึกมีความเศร้ามีความวิตกกังวลนะเราจะรู้สึกว่าช้าวันนั้นเนี่ยมันไม่สดใสเลยนะทั้งที่อากาศก็ดีนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือรับรู้ด้วยใจนี่มันมันหม่นหมองอะ่นะเนี่ยขนาดวิวชูทัศนะเราก็ยังเห็นต่างกันเลย ถ้าหากว่าอารมณ์เราไม่เหมือนกั น, นเพราะนั่นเนี่ยจำเป็นที่เราต้องรู้จักน ะ, ะระมัดระวังนะหรือเตือนใจอยู่เสมอว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเห็นคนหรือเห็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงก็ได้นะมัก็ต้องรู้จักทักทวงต้องรู้จักเผื่อใจไว้บ้างนะ แ, แล้วก็ตามเนี่ยไอการรับรู้เนี่ยแม่มันจะไม่ตรงความเป็นจริงพราะความคิดเลืองคติเนี่ยมันก็ยังไม่ไร่เท่ากับว่ามันมีความคิดบางอย่างที่ที่สั่งให้เราลงมือทํเนาะเพราะว่าไอการที่เราทําตามความคิดเนี่ยนะไม่ใช่แค่รับรู้เฉยๆนะแต่ว่าตัดสินใจแล้วลงมือทําอะไรบางอย่าง <c oughs> มันอาจจะ ก่อปัญหาขึ้นมาก็ได้หลว่างเขีนนั้นเคยเล่านะเมื่อ2 0 3สปีก่อนเนี่ยมมีพระใหม่รูปหนึ่งเนี่ยนะพี่ชายพามาเพื่อมาปฏิบัติกับท่านท่านก็สอนนะการเจริญสติให้สร้างจังหวะเ ด, ดินจงกรมแล้วก็ให้เข้าไปปฏิบัติเอง พระใหม่เนี่ยซึ่งตั้งแต่วันแรกแ้วสีหน้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอไปผ่านไปสักสองสาวันก็มากราบหลวงพ่อนะว่าจะขอศึกแล้วก็เหตุผลว่าไม่อยากปฏิบัติเพราะว่าที่มาบวชเนี่ยไม่ได้บวชเพื่อปฏิบัติแต่บวชเพราะว่าพี่ชายขอร้องนะซึ่งตอนนี้ก็บวชแล้วนะทำตาม ขอตกลงแล้วก็จะขอสึกหลวงพ่ อ, อก็ไม่ให้สึกพอเพิ่งบวชแค่ไม่กี่วันก็ไล่ให้ไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติสักพักกลับมาอีกจะขอบวชอาจจะขอสึกยืนกลางลบเร้าจะสึกให้ได้หลวงพ่อก็ไม่ยอมก็ให้เขาไปปฏิบัติต่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ไม่นะ ลนะบเราจะขอศึกหลวงพ่อองเขียก็เลยถามว่าอะไรพาให้คุณมาหาผมภาพใหม่รูปนั้นก็คิดสักพักก็บอกว่าความคิดครับหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าถ้ามันคิดแล้วต้องทำทำตามความคิดด้วยหรือคนเราเนี่ยถ้าทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือแล้วท่านก็ปฏิเสธนะไม่ยอมสึกให้แล้วก็ไปให้เขาไปปฏิบัติต่ตอ วันรุ่งขึ้นเช้าตรู่เนี่ยทันทีที่ภาพรุ่มนั้นเห็นหลวงพ่อเดินมาที่ศาลาก็รีบมาหาทันทีแต่ไม่ได้ขอศึกนะแต่มากราบขอบคุณหลวงพ่อบอกว่าถ้าหลวงพ่อเนี่ยไม่ทักท้วงเขาเมื่อวานเนี่ยป่านนี้เขาคงเป็นฆาตากรไปแล้วเพราะเมื่อวานเนี่ ย, เ, ยเขาคิดแต่ว่าจะหาทางฆ่าคนสองคน นะระหว่างที่หลวงพ่อเขาเดินจงกรมเขาคิดว่าจะหาปืนจะหารถจากไหนนะแล้วฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยจ่อปืนไปซ่อนที่ไหนจะหนีไปที่ไหนในหัวนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้แหละแต่เป็นเพราะหลวงพ่อเนี่ยนะพูดทักท้วงพูดแล้เขาทักทวงความคิดว่านะคนเราถ้าทตามความทำตามตความคิดทุกอย่างมาไม่แย่หรือเนี่ย ตอนนั้นก็ถึกไม่พอใจนะแต่ว่าตอนหลังก็ได้คิดนะพอได้คิดก็เลยรู้ว่าโอ้นี่เราคืนทําตามความคิดนะเมื่อตอนบ่ายนี่เราคงเป็นฆาตกรไปแล้วก็เลยมากราบขอบคุณหลวงพ่อนะสุดท้ายก็ไม่ได้ศึกนะแล้วก็บวชได้อีกหลายปีรู้สึกว่าจะตายในอาคาพระเหลืองด้วยคําพูดของหลวงพ่อนี่สําคัญนะคนเราเนี่ย ถ้าทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือความคิดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับตัวเราได้หลายอย่างเราจะทำมาหากินก็ต้องใช้ความคิดนะเราจะแก้ปัญหาชีวิตก็ต้องอาศัยความคิดแต่ว่าบางครั้งเนี่ย ถ้าเราไม่ระวังตัวความคิดมันจะเป็นนายเราความคิดเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีนะแต่เป็นนายที่เลวเนะี่ยความคิดเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวเป็นบ่าวที่ดีไหมครับว่าถ้าเราใช้มันนะถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมความคิดเนี่ยมันก็พาเรามาที่นี่นะพาเรามาปฏิบัติเนะ่ พอเราคิดใคร่ควรวญแล้วว่าเออการปฏิบัติการเจริญสติมันมีประโยชน์การภาวนาเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรามีความสุขสงบเย็นอันนี้ต้องใส่ความคิดงั่นแหละแต่ถ้าเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราเนะ่คือมันคิดอะไรก็ทำตามมันตะพฤตพ์เถือเนี่ยอันนี้เราแย่แล้วผู้คนมากมายเนี่ยเสียผู้เสียคนก็เพราะความคิดนี่แหล ะ, ะความคิดเนี่ยเวลามันอย่างน้อยๆเยนะ มันก็ทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับนี่เป็นพ่ออะไรนะพ่อความคิดเนี่ยมันคิดไม่หยุดเลยคิดคิดคิดคิดถ้าความคิดเนี่ยนะเราเป็นนายมันนะเราสั่งให้มันหยุดได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราสั่งมันไม่ได้นะแต่มันสั่งเรามันสั่งเราว่าอย่าพึ่งนอนอย่าพิ่งนอนคิดก่อนคิดเรื่องนี้ก่อนคิดเรื่องลูกก่อนคิดเรื่องพ่อแม่ก่อนคิดเรื่องงานก่อนนะบางที มันคิดแล้วโกรธนะคิดถึงใครบางคนก็โกรธเศร้านะแล้วคราวนี้พอมันโกรธพระมันเศร้าแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าความเศร้าวความโกรธนี่มันมันพอมานมีอำนาจเหนือเรามันสั่งให้เรานะทำอะไรได้ร้อยแปดสั่งให้เราทาลายข้าวของทงให้เรานะด่าว่าลูกสั่งให้เรานะด่าว่าพ่อแมนะ่เพราะว่าพ่อแม่ดื้อไม่ทาตาม นะคําแนะนำของเราบางทีมันสั่งให้เรานะตบตนะีคนใกล้ชิดมันสั่งให้เรานะไปทำสิ่งที่ผิดศีลนะผิดธรรมสั่งให้เราฆ่าก็ยังมีเลยนะก็อย่างที่พระใหม่เนี่ยนะความคิดมันสั่ง่าให้ให้ศึกไปนะเพื่อจะไปฆ่าคนสองคนอาจจะเป็นเมียรหรือชู้ก็ได้งั้นถ้าเราเนี่ย ไม่รู้จักทักทวงความคิดนะมันคิดอะไรไปก็ทำตามนะอันนี้แย่เลยนะและบางทีเนี่ยแม้กระทั่งความโกรธนะเวลาเราโกรธเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะความโกรธมันสั่งให้เราดา่าแล้วก็ทาตามนะมีคนหนึ่งนะพอแกโกรธปุ๊บแกด่าเลยนะจะบอกว่าต้องรีบดา่าก่อนที่จะหายโกรธนะนะ คือถ้าหายโกรธแล้วด่าไม่ออกนะความโกรวมันสั่งให้รีบด่าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวหายโกรธแล้วด่าไม่ออกนะบางทีไม่มีเหตุผลนะมันก็โกรธนะคุณหมอมราเล่าว่าเคยสมัยที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดของท่านอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยตอนนั้นท่านก็อายุประมาณสักสี่สิบได้ก็มีเพื่อนที่ใกล้ชิด ก, กันก็มาปฏิบัติ ด, ด้วยแต่ว่าเขาต้องกลับก่อนนะปฏิบัติได้สักพัก ก่อนกลับเนี่ยก็บอกคุณหมอมาเรียว อ, อมาราว่าไอความโกรธนี่มันไม่ดีเลยนะถ้าไม่ได้เธอเห็นฉันโกรธนะช่วยช่วยช่วยเตือนนะหรือว่าช่วยสะ ก, กิดหน่อยนะนเสร็จแล้วก็กลับไปดูแลแม่ผ่านไปหลายเดือนนะก็มีการเลี้ยงรุ่นนะเลี้ยงรุ่นเนี่ยเพื่อนเก่าก็มา เพื่อนที่เรียนด้วยกันสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยก็มาก็มีคนหนึงบินมาจากอเมริกานะคงจะบินมาด้วยเหตุอื่นนะไปเมืองนอกสักยี่สิปีได้นะก็มาเลี้ยงรุ่นด้วยเพื่อนคนที่ไปปฏิบัติต่อคุณหมอมาลาเนี่ยก็คุยกับเพื่อนที่ที่เพิ่งบินจากอเมริกา คุยไปคุยมาก็ยอ้อนรถถึงความหลังสมัยยังเด็กสมัยเป็นวัยรุ่นและเพื่อนที่มาจากอเมริกาก็บอกว่าเนี่ยเธอจำได้ไหมเมื่อ20ปีก่อนนี่เธอเกลียดเธอโกรธฉันมากเลยนะไม่รู้เรื่องอะไรนะเธอโกรธฉันมากเลยเพื่อนคุณหมออัมราคนนั้นก็บอกจาไม่ได้แต่พอมีเพื่อนมาทักว่าเคยโกรธกันเมื่อ20ปีก่อน บอกว่าจู่ๆเธอก็โกรธขึ้นมาเลยนะไม่รู้โกรธเรื่องอะไรนะแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อ20ปีก่อนเคยโกรธแล้วตอนนี้ขอโกรธต่อนะนะก็แสดงการฉุนเฉียวคุณหมอมาราเนี่ยนะก็พยายามส่งสิกแนวนะว่าเนี่ยเธอกํา ล, ลังโกรธแล้วนะเพื่อนคนนก็ทําเป็นไม่สนใจนะก็มีการฮึดทัชนะกับเพื่อนคนที่เคยโกรธกันนะเมื่อ20ปีก่อน คุณหมอมลาก็ถึงขั้นว่าเนี่ยไปสกิดนะบอกว่าเพื่อนอนั้นโกรธมากเลยนะบอกนี่ถ้าเถิดว่าฉันเป็นคนที่โกรธนะนะแล้วก็ไม่อยากคบฉันก็อย่าคบฉันเลยนะไม่ต้องคบฉันแ ล, ล้วนะต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันไปเลยนะทั้งที่ก่อนก่อนออกจากวันเนี่ยบอกนั่นว่าถ้าฉันโกรธนี่ช่วยช่วยช่วยสกิดหน่อยนะนี่เรียกว่าอะไรนะความโกรธมันทําให้ลืมตัว นะแล้วความโกรธก็มีเหตุผลนะมันก็สัหรหาเหตุผลมาว่าทำไมควรโกรธทางที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่โกรธก็เรื่องอะไรนะแต่ว่าก็ขอโกรธต่อไปนะจะดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะแต่มันก็มีเหตุผลของมันนะความโกรธนะคนเราคิดนะถ้าเราคิดไม่เป็นมันก็โกรธนะแล้วพอโกรธแล้วมันก็สรรหาเหตุผลสรนหาความคิดมาเพื่อที่จะทําให้เราโกรธมากขึ้นและเนี่ยเรียกว่าลืมตัวนะถ้คนเราเนี่ยถ้าเราทําตามความคิดแล้วทําตามอารมณ์เนี่ย มันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้อย่างที่บอกนะความคิดเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เวลวเราต้องพยายามที่จ ะ, ะเป็นนายความคิดนะอย่าให้ความคิดมาเป็นนายเราเราจะเป็นนายความคิดได้ก็ต้องมีสตินะสติมันช่วยทำให้รู้ทันความคิดมันช่วยทำให้เรารู้จักทักท้วงความคิดถ้าเราไม่มีสตินะมันคิดอะไรไปนะความคิดนั้นก็เข้ามาคลองจิตคลองใจเรา เข้ามาบงการการรับรู้ของเราทำให้เห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะเห็นอะไรก็ไปสรุปผิดผิ ด, ผ ด, ผดผลพลาดพลาดเช่นเห็นเพื่อนกาลังกระซิบกันนะพอเขาเห็นเราเขาก็หยุดกระซิบเลยนะนะเห็นเท่านี้ก็ไปสรุปแล้วเนี่ยว่าเขากาลังดินทาเราพอสรุปว่าเขานินทาเรานะก็เริ่มเหม็นหน้าเริ่มไม่พอใจแล้วความรู้สึกมันเป็นลบเป็นปฏิปักษกับสองคนนั่นทันที ท, ทั้งที่บางทีก็าอาจจะกระซิบเรื่องอื่นอาจจะกระซิบเกี่ยวกับบุคคลที่สามหรือว่ากระซิบเกี่ยวกับเจ้านายแล้วก็ไม่อยากให้เรารู้เพลอๆกระซิบเกี่ยวกับเรื่องอะจะหาทางช่วยเรานะพอได้ข่าวว่าพ่อแม่เราป่วยหนักนะก็กําลังคุยกันว่าะจะเรียกรายเงินมาเพื่อช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ก็ได้นะแต่ว่าพอพอเราด่วนสรุปไปแล้วเนี่ยนะ แล้วก็เชื่อความคิดเนี่ยอันนี้เรียกว่าความคิดเป็นนายเราแล้วนะความคิดมันสั่งว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันเจตนาไม่ดีกับเรานะต้องจัดการกับมันนะแต่ถ้าว่าเราเป็นนายความคิดนะมันมีความคิดเกิดขึ้นก็เอ อ, อย่าเพิ่งไปเชื่อมันนะอย่าเพิ่งไปเชื่อมันเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกก็ได้ไม่ได้เป็นความจริงอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นก็ได้ความจริงอาจจะแตกต่างจากความคิดของเราก็ได้ เนี่ยรู้จักทักท้วงมันบ้างโดยสายสตินะคนเรานี่ถ้าเราจะเจริญจะภาวนาทํากรรมฐานนะมันต้องเห็นตรงนี้นะคือมันต้องเห็นความคิดชนิดที่ว่าสามารถจะทักท้วงความคิดได้สามารถที่จะตัดสินได้ว่าเออความคิดแบบไหนที่มันดีนะที่เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะแต่ความคิดไหนที่มันจะคลองจีครองใจเราเราสั่งให้เราทําไปตามหน้าของมันแล้วก็ไม่ทําโดยเฉพาะ ถ้ามันสั่งไปตามหน้าของกิเลสนะกิเลสมันทีมันก็สั่งมันก็สรรหาความคิดสนาเหตุผลมาเพื่อที่จะหลอกล่อเรานะคนที่ผิดศีลคนที่รักขโมยคนที่ฆ่าคนเนี่ยล้วนแต่มีเหตุผลงั้นแหละเหตุผลดีๆก็เยอะนะอย่างผู้ชายคนที่จะศึกไปฆ่าเมียหรือชู้เนี่ยาจะคิดว่าต้องไปสั่งอสอนมันสัหน่อยนะจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลของกิเลสเหตุผลของโทสะนะ ที่มันสามารถจะหลอกล่อให้เราทำชั่วแล้วก็อาจจะเสียผู้เสียคนอาจจะติดคุกติดตารางหรือว่ า, าโดนประหารก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราตระหนักว่าความคิดแม้จะดีมีประโยชน์แต่ก็อย่าไปหลงเชื่อมันมากหัดทักท้วงนะหรือว่าหัดใครควรนะด้วยสติด้วยปัญญาค้ามเนื้พูดกันทั น, นี้นะบครับ